นำกรรมชั่วกรรมดีไปปฏิสนที่ในร่างใหม่แสดงให้เห็นว่าจิตหรือวิญญาณดวงนี้ไม่ประพัดสอนเพราะมีกิเลาจิตประพัดสอนได้ในภาษิต ท, ที่ว่าประพัดสลามีธรรมพิกเวจิตตังจิตเป็นธรรมชาติประพัดสอนอันนี้หมายถึงจิตตั้งเดิมคำว่าประพัดสอนของจิตในข่านนี่เปรียบเหมือนผ้าที่ขาวสะอาด ผ้าที่ขาวสะอาดพร้อมที่จะดูดสิ่งสกโกรกคือสีย้อมได้จิตประพัดสอนหมายถึงจิตที่เป็นนิ่งอยู่เฉยๆโดยที่ยังไม่มีอายตนะมาเป็นส่วนประกอบเทนจิตของคนเราเมื่อออกจากร่างไปมีแต่จิตดวงเดียวยังไม่ถือปฏิสนธิก็มีแต่จิตล้วน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 กายวิญญาณมโนวิญญาณรูทางหูตาจะรูทางหูจะหมกลล่นกายแหละใจอันนี้เป็นวิญญาณในขันธ์ห้าสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งทั้งห้านี้อาศัยรูปเป็นแดนเกิดเมื่อโลปยังปลากฏจุูความรู้สึกมีสัญญาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือความรับรู้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 ต่อไปเกิดเป็นพระอินถ้าถึงคราวสวยก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้เรียกว่าวิญญาณังอ น, นิจจงคือพบที่เกิดมันยังไม่แน่มีคติไม่แน่เพราะยังมีกิเลสอยู่มากมายดิฉันเป็นผู้ใไข่ปฏิบัติด้วยใจจริงแต่มีข้อสงสัยในบางประการจึงขอกราบเรียนพระคุณเจ้าจจตีเกิดดับนั้นดิฉันเข้าใจ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 คือทั้งสองฝ่ายนี่ที่ว่าต่างกันนั้นบางทั้นปฏิบัติเพื่อมุ่งให้ประชาชนทั้งหลายเกิดความเลื่อมใส mm. เกิดความนับถือ mm. เกิดอิทธิฤทธิ์ mm. เกิดปาฏิหาริย์ต่างๆ mm. เพื่อเป็นแนวทางชักจูงให้เกิดลาภผลอันเป็นฝ่ายอามิตรไม่ได้มุ่งต่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจ อันนี้เป็นอีกฝ่ายหนึ่งทีนี้ทั้งมหายาณและเทราวาทก็มีจุดมุ่งหมายอยู่สองอย่างเหมือนกันหนึ่งปฏิบัติเพื่ออามมตสองปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์คือสำเร็จปนานิพันธ์ทีนี้ที่ควรจะถือเป็นหลักปฏิบัตินั้นควรจะยึดหลักที่ว่าปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์สะอาดแห่งใจเพื่อบรรลุมรรคผลนิพาน อาหมิตรในความนิยมรับถือที่ได้จากประชาชนถือเป็นเพียงผลปล่อยได้โดยความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมดีตามแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยในเมื่อใครทำดีแล้วทำได้ดีแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาประจุมพร้อมลงไปแล้วจะปรารถนาสมบัติเป็นโลกีโลกุตละก็ได้ทางนั้นถ้าใครเชื่อมัน่นแล้วก็มุ่งตรงต่อความสงบจิตไดรู้จริงเห็นจริงในสภาว่าธรรม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 ที่แผนดินจะพริกจะปินอย่างไรก็ตามอันนั้นเป็นอาการของจิตที่ปรุงขึ้นซึ่งจิตของเราอาจจะปรุงไปเป็นต่างๆอันนี้ถ้ามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติกาหนดรู้ลงที่จิตและเอาสิ่งนั้นเป็นเพียงสักวาแต่เครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติประครับประคองตัวผู้รู้เอาไว้ให้ดี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 เมื่อมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นรีบกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วมันจะได้ปล่อยวางความเจ็บปวดในนั้นปัญหาของท่านข้อต่อไปในการนั่งฟังธรรมหากทำสมาธิไปด้วยพิจารณาคำเทศคำสอนในขณะนั้นจิตรับรู้เสียงที่ได้ยินพกถ่อยคำแต่เมื่อถอนจากสมาธิแล้วเพราะเหตุใดจึงระลึกไม่ได้เลย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 อันใหญ่หลวงจึงได้ชื่อว่ามหาสติปัฐานที่นี่ฐานที่ตั้งของสติก็คือกายเวทนาจิตธรรมผู้ใดเอากายเป็นเครื่องลู่ของจิตเวทนาเป็นเครื่องลู่ของจิตจิตเป็นเครื่องลู่ของจิตธรรมเป็นเครื่องลู่ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติกําหนดบ่อยๆทําบ่อยๆพิจารณาเนืองๆเงจเริญให้มากๆ ก, ก็ทําให้มากมาก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 แล้วก็จุดธูปจุดเทียนไหวพระสมาทานศีลห้าซะแล้วก็กล่าวคำถวายสังฆทานในเมื่อถวายพระแล้วท่านอรโมทนาแล้วก็เป็นเสร็จพิธีที่นี้ประโยชน์ที่จะให้เกิดขึ้นนั้นตามหลักที่พระพุทธองค์แสดงไว้ว่าการให้ทานแก่บุคคลผู้เดียวเรียกว่าปุคะริกทานเป็นทานที่เฉพาะเจาะจงอนิสงส์มีน้อย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 ไม่ใช่ว่ามาสร้างความเป็นจริงขึ้นมาแล้วมาสอนให้คนตัดสรลุอันนี้นระกสวรรค์นี่มีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้มารู้า <c oughs> ตามคำอธิบายตามดูนามอ่านดูนามมาทำเกิดดับ